ยังอยู่แล้วควรทำอะไรดีหัวข้อรู้เวทนาตอนรู้สุขทุกข์พุทธพจน์ 1. สวยสุขอยู่ก็รู้ชัดว่าเราสวยสุข 2. สวยทุกข์ก็รู้ชัดว่าเราสวยทุกข์สสวยความรู้สึกเฉยก็รู้ชัดว่าเราสวยความรู้สึกเฉย 4. สวยสุขมีเหยื่อล่อก็รู้ชัดว่าเราสวยสุขมีเหยื่อรอบหสวยสุขไม่มีเหยื่อล่อก็รู้ชัดว่าเราสวยสุขไม่มีเหยื่อล่อ 6. หสวยทุกข์มีเหยื่อรอก็รู้ชัดว่าเราสวยทุก์มีเหยื่อล่อ7เสวยทุกข์ไม่มีเหยื่อรอก็รู้ชัดว่าเราสวยทุบไม่มีเหยื่อล่อ 8. สวยความรู้สึกเฉยมีเหยื่อลอกก็รู้ชัดว่าเราสวยความรู้สึกเฉยมีเหยื่อลอกเสวยความรู้สึกเฉยไม่มีเหยื่อลอกก็รู้ชัดว่าเราสวยความรู้สึกเฉยไม่มีเหยื่อลอกข้อความจากมหาสติปฐานสูตรเวทนานุปัสสนาลงมือปฏิบัตินับแต่เริ่มฝึกรู้ลมหายใจ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 ให้ฝึกไปตามลำดับดังนี้หนึ่งเมื่อเสพสุขก็รู้ว่าเสพสุขความสุขคือความเบาสบายหรือชื่นกายชื่นใจอยู่กับสภาพน่ายินดีเป็นพิเศษความสุขมีประโยชน์ตรงที่เอื้อให้เกิดสติง่ายแต่ก็มีโทษคือชวนให้หลงติดเหมือนจมปลัก สุขที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเหยื่อล่อแบบโลกโลกเรียกว่าสุขแบบมีอามิ t h เช่นเห็นรูปสวยฟังเสียงเพราะหรือที่ซับซ้อนกว่านั้นเช่นได้ของขวัญสมปรารถนาเล่นเกมชนะอ่านหนังสือถูกใจหมกมุ่นกับความคิดเกี่ยวกับตัวตนอันน่าสนุกเป็นตน้นเราจะพบว่าเมื่อจิตเสพสุขประเภทนี้อยู่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 เมื่อเห็นว่ากายสกปรบจะเป็นสุขจากการระ ง, งับความกระสับกระส่ายทางกามรมเมืม่อเห็นว่ากายไม่มีภาวะบุคคลจะเป็นสุขจากการเลิกสาคัญผิดว่านี่เรานั่นเขาเมื่อเห็นว่ากายเป็นของศูนย์จะเป็นสุขจากอิสระไร้พันธะกับกายเราจะพบว่าเมื่อจิตเสพสุขเหล่านี้อยู่ย่อมเกิดความปล่อยวางโลก